จเจริญพรถูกทุกท่านคนฟังนี่นะคอนทราสต์มากเลยนะดูวุฒิภาวะต่างกันมากเลยมันเหมือนนักเรียนคนละรุ่นแล้ว ม, มาอยู่ห้องเดียวกันก็นเป็นลักษณะพิเศษนานๆจะเจอแบบนี้ที่หนึ่งนะแบบนี้เทศยากที่สุดเลย พระเทศเอาใจเด็กนะคนแก่ก็หลับพระเทศเอาใจคนแก่เด็กก็หลับยังไม่แก่น ะ, ะเด็กนานหน่อยพวกเด็กอาวุโส <laughs> หลวงพ่อก็ดีใจนะได้เห็นพวกเราคนหนุ่มคนสาวสนใจที่จะมาฟังธรรมะ แต่ถามจริงๆถูกเกณฑ์มาหรือเปล่าไม่ได้ถูกนะเออถ้าถูกเกณฑ์มาแล้วก็เทศไม่ออกเลยธรรมะมันเป็นของสูงนะไม่ใช่ของยัดเยียดกันธรรมะเป็นของคนซึ่งจะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสามารถของตัวเองศา ส, สนาพุทธไม่เหมือนศาสนาอื่นๆศา ส, สนาอื่นๆนะขอแค่ศรัทธาก็พอแล้วมีศรัทธาในพระเจ้าอะไรนี้ ก็ใช้ได้แล้วแต่ศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องมีปัญญาเราจะต้องพ้นทุกข์นะได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ใช่พึ่งพาสิ่งภายนอกกระทั่งพระพุทธเจ้านะก็ไม่สามารถมาช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ท่านสอนวิธีที่เราจะมาฝึกจิตฝึกใจตัวเองว่าเราฝึกจิตจใจตัวเองแล้วนะเราจะพ้นทุกข์ด้วยตัวของเราเองพวกเราส่วนมากก็เป็นชาวพุทธแต่ชื่อ เราก็คิดว่าศาสนาพุทธนีเป็นเรื่องประเพณีถึงปีก็ไปทําบุญวันเกิดวันตายก็ไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไปทําบุญศา ส, สนาพุทธไม่ได้อยู่แค่ประเพณีประเพณีเป็นแค่เปลือกเปลือก็อจะห่อหุ้มหลักธรรมที่แท้จริงเอาไว้เท่านั้นเองตัวศาสนาแท้ๆก็ไม่ใช่เรื่องของวัดไม่ใช่เรื่องของพระเอคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยไม่ได้มีแต่พระไม่ได้มีแต่ชี คาวาสอย่างพวกเรานะเขาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานะผู้หญิงผู้ชายอะไรเนี่ยที่มีความนับถือคําสอนของพุะเทเจ้าเขาเป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งหมดแหละงั้นจะมีวัดหรือจะไม่มีวัดนะยังไม่ใช่ตัวชี้ขาดว่ า, าศาสนายังอยู่หรือไม่อยู่จะมีพระหรือไม่มีพระเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าพระอาจจะหมดไปก็ได้แต่ตัวธรรมะแท้มันเป็นสัจธรรมตัวสัจธรรมนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ ถ้าเมื่ อ, อไรเราเข้าถึงแล้วเนี่ยผลปลอยได้ไม่ใช่ผลปลอยได้ผลได้ที่เราจะได้รับก็คือเราจะสามารถมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความทุกข์ทางจิตใจฉะนั้นวัตถุประสงค์สูงสุดของพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่แค่ทำบุญทำทานแล้วชาติหน่ารวยนะหรือว่าได้แฟนสวยรูปร่างหล่ออะไรนี้ตัวเองจะดียังน้นอย่างนี้เพื่อความเพงไม่ใช่ เป้าหมายสูงสุดหรือวัตถุประสงค์สูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงชีวิตของมนุษย์นะวนเวียนอยู่กับความทุกข์นานาชนิดตั้งแต่เด็กๆ เ, เราก็ดิ้นรนตามกันไปคนอื่นเขาทำอะไรเราก็ทำตามเขาถ้าเราทำอย่างเขาไม่ได้ก็ทุกเยอะถ้าทำอย่างเขาได้ก็รู้สึกว่าประสบความสาเร็จในชีวิตอย่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างไรก่กระ벙ไม่ใช่กระจอก ไม่ใช่มหาวิเลย์แบบต้องเชิญให้เข้าเข้ามาได้ก็รู้สึกเท่นะคนอื่นเขาเข้าไม่ได้เราเข้าได้นะหรือเข้าแล้วจบแล้วเนี่ยมีงานดีๆทะเนี่ยเราก็รู้สึกอย่างนี้มีความสุขหรมีแฟนสวยๆมีสามีดีๆต่อไปก็มีลูกดีๆมีเงินเยอะๆแล้วจะมีความสุขความสุขของคนมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นหรอกไม่ได้จบอยู่แค่ว่ามีกินมีใช้มีครอบครัว ก็คนมีเงินมากๆเขาก็ยังมีความทุกข์อยู่คนที่มีครอบครัวเขาก็มีความทุกข์คนมีชื่อเสียงเกียรติยศมีงานมีการทำร่ำรวยมันก็มีความทุกข์อย่างคนรวยในเมืองไทยมมีเงินเป็นหมื่นๆล้านไม่มีบ้านจะอยู่ต้องไปอยู่ประเทศอื่นเนี้ยไม่ได้มีความสุขหรอกถึงไงก็ไม่มีความสุขยังไงก็คิดถึงอาหารไทยสภาพแวดล้อมคนไทยเนี่ยไปอยู่ที่อื่นมันไม่สบายมันอยู่บ้านเราเอง นั่นไม่ใช่ว่าชีวิตเนี่ยมันจะหาความสุขได้ด้วยกันที่ว่ามีสิ่งที่คนอื่นเขามีถ้าตราบใดที่เราไม่สามารถเรียนรู้เข้ามาถึงจิตใ จ, จตัวเองได้อย่างแท้จริงเราไม่รู้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจเราได้อย่างไงถ้าเราไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราได้อย่างไงเราจะไปดิ้นรนหาความสุขที่ไหนได้ดิ้นอย่างไงนะมันกลายเป็นว่าไปหาความทุกข์มาเพิ่มขึ้น อย่างคนมีบ้านหลังใหญ่ๆนะก็มีทุกข์มากนะต้องดูแลบ้านมีรถหลายๆคันต้องดูแล ร, รถนะมีแฟนก็ต้องดูแลแฟนมีลูกก็ดูแลลูกนะมันมีภาระอะไรต่ออะไรติดตามมาในชีวิตเราตั้งมากมายไกายกองพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์อันหนึ่งนะจะไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นศาสนาก็ยังได้มันะไม่ใช่คำสอนของพร ะ, พระเจ้าที่ไหนเลย แต่เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าคนพบคนพบว่าทาอย่างไรเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ในทุกๆสถานการณ์ได้นะโดยที่ใจเราไม่ทุกข์ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่หลวงพ่ออยากให้พวกเราเรียนนะทั้งเด็กเก่านะเก่ามามากๆแล้วเด็กใหม่ๆนนะถ้าเรียนได้นชีวิตมันจะสมบูรณ์แบบไม่งั้ น, นชีวิตเราก็จะไม่ได้ต่างกับคนทั่วๆไปหรอกนะดิ้นรนไปวันๆหนึ่ง อย่างรุ่นหลวงพ่อเนี่ยเกษียณหมดละสมัยก่อนเรียนมหาวิทยาลัยอยู่จุฬา พ, พวกเขาก็เรียนกันเรียนรัฐศาสตร์แต่ละคนเขาหวังไปเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นประหลัดกระทรวงเป็นเอกอัครราชทูตพอเรียนจบเขไปทํางานกันก็แย่งชิงกันชิงคนส่วนหนึ่งได้เป็นประหลัดกระทรวงเพราะประหลัดกระทรวงมหาไทยเนี่ยมีครั้งละคนเดียว ในขณะที่คนที่จะแย่งกันเนี่ยมีเยอะแยะเลยอธิบดีกรมการปกครองมีคนเดียวอธิบดีกรมการทูตอะไรมีคนเดียวการที่แย่งชิงกันนะระหวังว่าได้ตําแหน่งดีๆมีชื่อเสียงมีเงินทองมีโน่นมีนี่จะมีความสุขปรากฏว่าสิ่งเหล่าเนี้มันอยู่ในชีวิตเราแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองพออายุหกสิบเนี่ยเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยสามสิบกันยานี้ คนกเกษียณเยอะเลยข้าราชการนะเคยมีตำแหน่งก็ไม่มีตำแหน่งนะเคยมีชื่อเสียงเกียรติยศใครๆก็นับถือนะมีตำแหน่งใหญ่ๆตอนปนี้เป็นตะแกะ่เป็นยายแก่นะไม่มีอะไรไม่มีความหมายอะไรเคยมีรายได้เยอะๆรายได้ก็ลดลงเนะี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะที่แย่งกันมาแลกกันมาตลอดชีวิตช่วงชิงกันมาทั้งชีวิตนะสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เหลืออะไรอยู่เลยเนะีชีวิตเราไม่ได้จบลงนะ ตอบมีคำตอบอยู่แค่ว่ารวยสวยเก่งหรือว่าประสบความสำเร็จอะไรนักหนาอะไรล่ะที่จะอยู่กับเราได้คงทนถาวรมากกว่านั้นถ้าเราได้ศึกษาธรรมะนะเราจะพบว่ายิ่งฝึกเรายิ่งห่างไกลความทุกข์ออกไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าปฏิบัติธรรมวันนี้แล้วชาติหน้าถึงจะดีาศาสนาพุทธไม่ได้กระจอะขนาดนั้นถ้าปฏิบัติเดี๋ยวนี้ปฏิบัติถูกเดี๋ยวนี้พ้นทุกข์เดี๋ยวนี้ ไม่ใช่ต้องใช้เวลาอีกนานๆมันอยู่ที่ว่าเรารู้วิธีหรือเปล่าถ้าเราสังเกตให้ดีนะความทุกข์มันมีสองส่วนความทุกข์ทางร่างกายกับความทุกข์ทางจิตใจความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยหิวข้าวก็เป็นทุกข์ใช่ไหมห่วงนอนก็เป็นทุกข์ทำยังไงหิวข้าวก็ไปกินข้าวแก้ทุกข์ได้ชั่วคราวง่วงนอนก็ไปนอนก็แก้ทุกข์ได้ชั่วคราวร้อนมากเข้าห้องแอร์หรือไปอาบน้ําเย็น กวแก้ทุกข์ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ทุกอีกความทุกข์ในร่างกายเนี่ยยังไงก็ต้องเจอยังไงก็หนีไม่ได้พวกเราถ้ามีบุญพอนะเราจะได้อยู่จนแก่จะตะแก่เป็นใหญแก่พวกเด็กๆพวกนี้ต่อไปก็จะได้เติบโตขึ้นไปเป็นตะแก่และใหญ่แก่ถึงจุดนั้นเนี่ยร่างกายอ่อนแอลงความเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะชีวิตไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดหรอก แต่ความเจ็บป่วยทางร่างกายเนี่ยแก้ไม่ได้ยังไงทุกคนต้องเจอถึงวันหนึ่งทุกคนจะต้องเจอเจอกระทั่งตายความทุกข์ทรมานมันจะเกิดขึ้นจนถึงจุดที่ว่าทนต่อไปไม่ได้แต่ละคนต้องตายศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เรามาแก้ทุกข์ที่สามารถแก้ได้คือทุกข์ของใจถ้าเราสังเกตให้ดีนะความทุกข์ในใจเกิดเพราะอะไรเวลาที่เราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งพวกเด็กๆจาไว้เลยนะ ต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูที่สาเหตุของปัญหาไปแก้ที่สาเหตุของปัญหาถ้าแก้ที่สาเหตุได้นะปัญหาจะหมดไปถ้าเราทำเหตุแบบนี้มันจะมีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ทำเหตุที่จะสร้างความทุกข์ใจเราจะมีความทุกข์ทำเหตุที่จะพ้นจากความทุกข์ใจเราจะพ้นจากความทุกข์สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุกะทั้งไฟไหม เวลาไฟไหม้เนี่ยเราอย่าไปนึกว่าเขาไปดับไฟนะตำรวจดับเพลิงไปดับไฟนะเข้าใจผิดที่จริงเขาไปดับเหตุของไฟเหตุของไฟเช่นอะไรเช่นอุณหภูมิสูงเอาน้ำไปลาดมันอุณหภูมิลดลงไฟก็ดับไ ม, ไม่ใช่ดับตัวไฟแต่ดับเหตุของไฟตรงนี้รถยนต์ไฟไหม้อยู่นะมีน้ำมัน เ, เอาโฟมไปฉีดไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปขาดออกซิเจนไฟก็ดับงั้นกระทั่ง การดับไฟนะมันดับที่เหตุมันไม่ได้ดับที่ตัวไฟความทุกข์นี่ก็เหมือนกันเราจะไม่ดับที่ตัวทุกข์แต่เราจะดับที่ตัวเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์ในใจเนะี่ยคือความอยากคือตัวความอยากต่อไป น, นี้หลวงพ่อจะให้กันบ้านพวกเรานะทั้งเด็กเก่าเด็กใหมนะ่เด็กเก่ามากๆากเด็กเก่านิดหน่อยนะเด็กใหม่ๆ ม, มีหลายระดับนะลองไปสังเกตตัวเองดูซิว่าเมื่อไรเกิดความอยาก เมื่อ น, นั้นจะเกิดความทุกข์จริงหรือไม่จริงคนในโลกนี้นะตื่นนะขาดสติขาดปัญญา <_ t un> เขาคิดว่าถ้ามีความอยากนะยังไม่มีความทุกข์หรอกมีความอยากแล้วไม่สมอยากถึงจะทุกข์ลองไปหัดดูซะดูความจริงในชีวิตของเรานี่แหละเวลาใจเกิดความอยากทุกครั้งที่เกิดความอยากในใจนะความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นมาแล้วจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแล้วยังอยากได้เกรดสูงๆเนี่ย ใจจะกังวลนะใจจะไม่สบายใจแนละ้วอยากจะจีบสาวสักคนยังไม่รู้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเลยแค่อยากจะจีบเขานะก็กังวลแนละ้วต้องวางแผนทําไงจะหลอกเขาได้หน้าตาอย่างเราเนี่ยปันพวกหุดไม่มีหัวทางศิลปะเลยนะหน้าตาอย่างเราจะไปจีบสาวนี่จะทำไงนะปู่ย่าตายายเขาขี้เกียจไม่ร่าทํามาหากินไม่รนะ่นะํารวยอะไรเงี้ยเนี่ยปัญหามันจะมาสู่ใจเราทันทีเลย ทุกคราวที่เกิดความอยากนะใจจะเกิดความเครียดขึ้นมาี่้ค่อยๆไปหัดสังเกตใจของเราบ่อยๆนะถ้าดูบ่อยๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งนะความอยากมันจะหายไปยิ่งความอยากลดลงเท่าไหร่นะความทุกข์มันก็จะลดลงเท่านั้นนะถ้าความอยากไม่เกิดขึ้นเลยความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นเลยนี่เ ร, เราจะ่ประดับความอยากเนี่ยเราต้องมาดูเองอีกทีหนึ่งนะอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจเราอยาก ต้องดูลงไปอีกทิ้งถ้าจะดับตัวความอยากตรงๆนะมันก็ดับไม่ไดนะ้ใจมันจะมีความอยากขึ้นมาเราห้ามมันไม่ได้ในะใจเราอยากทั้งวันลองไปสังเกตดูนะอยากตลอดเวลาเลยนะอย่างนั่งฟังเทศะพักเนืออยากกลับบ้านนะอยากกลับหอเนะี่ยหรือว่าทำอะไรไปกินข้าวสักพักหนึ่งเบือ่อแล้วนะกินอิ่มแล้วอยากไปที่อื่นเนะีน่ยะใจจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลา ความอยากตลอดเวลานะมันก็คือความทุกข์ตลอดเวลาให้ให้ค่อยสังเกตนะพวกเด็กๆอะ่ะนะพวกเด็กรุ่นเก่าในหลวงพ่ออุเบกขาแล้วล่ะนะเธอมีชีวิตอยู่อีกชั่วครั้งชั่วคราวพวกเรายังมีโอกาสอยู่อีกนานยังมีโอกาสทุกข์อีกนานนะงั้นเรียนเอาไว้นะค่อยๆเรียนเอาไว้ถ้าเมื่อไร่ไปสังเกตตัวเองถ้าเมื่อไร่มีความอยากจะมีความทุกข์ไปดูตัวนี้ก่อนนะจริงหรือไม่จริง ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะโฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นธรรมะที่บอกท้าให้พิสูจน์นะเอหิปัสสิโกเคยได้ยินไหมเคยสวดไหมเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดดั้นธรรมะของพระเจ้าไม่ชวนให้เชื่อแต่ท้าให้พิสูจน์หลวพ่อขอท้าพวกเรานะลองดูสิใจมีความอยากใจจะมีความทุกข์จริงหรือเปล่าถ้าเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเริ่มคิดจะต่อสู้เอาชนะความอยากแล้วเลยต้องไปดูต่อไปอีกสเต็ปหนึ่ง ว่าความอยากเกิดจากอะไรความอยากเนี่ยเกิดจากจิตใจของเราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงความอยากเนี right? <silicon> ่ยเกิดจากใจเรายังยอมรับความจริงไม่ได้ถ้าใจเข้าถึงความจริงได้นะความอยากจะไม่เกิดเลยความจริงของชีวิตนะความจริงของชีวิตอย่างร่างกายเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนที่อินโนเซนต์ไม่ยอมรับความจริงนะอยากจะไม่แก่อยากไม่แก่สาเร็จหมอยากจะไม่เจ็บอยากจะไม่ตายสาเร็จห ความจริงของชีวิตอันหนึ่งก็คือเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักทุกคนจะต้องพลัดพรากจากคนที่ตัวเองรักไม่พลาดตอนนี้ก็พลาดในอนาคตนะไม่พลาดตอนเป็นก็พลาดตอนตายยังไงชีวิตเราต้องเจอความพลัดพรากอย่างแน่นอนในชีวิตเราจะต้องไปเจอกับสิ่งที่ไม่น่าชอบไม่ชอบใจยังจบไปหรือยังไม่ทันจบนะเราก็มีเพื่อนที่เราชอบที่ไม่ชอบเห็นไหม เพื่อนที่เราชอบเราก็มีเพื่อนไม่ชอบก็มีอาจารย์ที่เราชอบก็มีอาจารย์ที่เราเกลียดก็มีเวลาเราไปทํางานต่อไปเราก็จะมีคนที่เราชอบมีคนที่เราไม่ชอบอีกเนในชีวิตเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราพอใจสิ่งที่เราไม่พอใจถ้าเราจะต้องการจะอยากจะได้นะเราอินโดเซนต์มากเราอยากจะได้แต่ว่าสิ่งที่ดีๆในชีวิตเราปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีอย่างเราต้องการแข็งแรงตลอดกาลเราปฏิเสธความแก่ความเจ็บความตาย เราต้องการสมหวังตลอดเวลาเราไม่ต้องการพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักเราไม่ต้องการเจอคนที่เราเกลียดสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยถ้าเรามันเกิดความอยากขึ้นมานะใจมันจะดินน้นรนแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะความอยากจะไม่เกิดขึ้นเมื่อไหรที่เราเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความอยากจะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความทุกข์จะไม่เกิด ทำอย่างไรจิตจะยอมรับความจริงนะจิตจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี้ชั่วคราวทั้งสิ้นแต่เราหลอกตัวเองว่ามันจะคงทนถาวรกระทั่งร่างกายของเรานะเราบอกว่าเราตอนนี้แข็งแรงเราไม่ยอมคิดถึงอนาคตนะว่าวันหนึ่งจะไม่แข็งแรงบางคนกาลังหนุ่มกาลังสาวนะเกิดอุบัติเหตุ แค่นี้ก็พิการแล้วหรือตายแล้วนะเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้ถ้าเราอย่างสองคนคนหนึ่งเคยฝึกที่จะดูความจริงของชีวิตว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนอีกคนหนึ่งนะั้นหลงละเริงนะไม่เคยคิดเลยว่าโลกนี้ไม่แน่นอนคิดว่าทุกอย่างมันอยู่ในอํานาจเราหมดเลยสองคนนี้เกิดนั่งรถไปด้วยกันลถความพิการด้วยกันนะคนที่ยอมรับความจริงได้ว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะมันจะไม่ทุกข์ทางใจมากส่วนคนที่ยอมรับไม่ได้มันจะทุกข์มาก งั้นเราจะต้องมาเรียนรู้นะพาจิตใจของเราเนี่ยให้เรียนรู้ความจริงของชีวิตสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเราก็คือร่างกายกับจิตใจนี่เองแล้วคยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆ่คยรู้สึกอยู่ในจิตใจบ่อยๆการเรียนรู้ความจริงของกายการเรียนรู้ความจริงของใจเนี่ยมีชื่อเฉพาะนะมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานฟังชื่อแล้วน่ากลัวความจริงไม่ได้มีอะไรแปลกเลยคำว่าปัสตนะว่าการเห็น วิแปว่าแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเราสามารถเห็นร่างกายอย่างที่ร่างกายเป็นเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นรู้สึกอยู่ที่ร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจบ่อยๆถ้าเราจะคอยรู้สึกกายเราก็รู้สึกได้นะลองนลองยิ้มซิแต่ละคนลองยิ้มเอายิ้มหวานๆเหมือนตอนที่มีคนมาบอกรักครั้งแรกยิ้มหวานๆรู้สึกไหมร่างกายยิ้มหัวเราะเห็นไหมรู้สึกไหมร่างกายหัวเราะเนี่ย ตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมว่านั่งอยู่ถ้าเราจะรู้สึกเรารู้สึกได้แต่เราละเลยที่จะรู้สึกแค่นี้เองอเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรียนรู้ความจริงของชีวิตได้ทุกคนคนที่ทําไม่ได้คือคนที่ไม่ได้ทําไม่สนใจที่จะทําเพราะไม่รู้ว่ามันสําคัญแค่ไหนมัวแต่ไปดินด้นดิ้นดิ้นเพื่อจะหาความสุขแต่หาความสุขเหมือนภาพดวงตาเหมือนเงา วิ่งตามเงาของตัวเองไปได้แต่ครุบยังไงก็ไม่เจอจับไม่อยู่งั้นเรามาเรียนรู้ความจริงของตัวเองนะอย่างขนาดเนี้ยเราหายใจออกหรือขนาดนี้เราหายใจเข้าขนาดเนี้ยเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนรู้สึกไหมเนะีรู้สึกอย่างที่มันเป็นแล้วรู้สึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะว่ามันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเชื่อไหมว่าเรามีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก เอาทุกคนลองหายใจเข้านะหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยในชีวิตวันนี้จะขอหายใจเข้ายาวที่สุดเลยแล้วรู้สึกไหมว่ามันสุขหรือมันทุกข์ลองหายใจดูของจริงธรรมะเป็นของจริงๆนะหายใจเข้าไปอกจะแตกเลยใช่ไหมเราก็ต้องหายใจเข้าไปสักพักหนึ่งเราก็มีความทุกข์แล้วก็หายใจออกลองหายใจออกให้ยาวที่สุดสิแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์ แมาพอหายใจออกไปเราก็ทุกข์อีกใช่ไหมเราต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์งั้วเราหายใจออกนะก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็แก้ทุกข์ของการหายใจออกทําไมเรานั่งแล้วต้องขยับไปขยับมาเพราะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นในร่างกายมันเมื่อยนั่งเก้าอี้ก็เมื่อยนะนั่งตัวไหนก็เมื่อยหรือนอนอยู่นอนแล้วเมื่อยไหมก็คือ น, นอนแล้วพลิกไหมพลิกไปพลิกมาพลิกกี่ครั้งรู้ไหม ปกติถ้านอนเราเราแ8ดชั่วโมงนะแปดนี้นอนจะแบบขี้เกียจแล้วก็นะพลิกประมาณ4ี่สิบครั้งทำไมต้องพลิกบ่อยๆเพราะมันเมื่อยนะนอนอยู่อย่างเมื่อยเลเนี่ยในความเป็นจริงนะร่างกายเราเนี่ยถูกความทุกข์ติดตามบดขยี้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บดขยี้นะติดตา ม, มยอยู่ทุกทุกอิริยาบยืนเดินนั่งนอนทุกทั้งนั้นเลย เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆความทุกข์เหมือนหมาล่าเนื้อนะ่ะวิ่งไล่กัดเราตลอดเราก็ต้องหนีต้องวิ่งหนีต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีหนีไปเรื่อยถ้าหมดแรงที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อไหร่นะความทุกข์จะขยี้เราตายเลยอย่างป่วยมากๆเขาจะกระดิกไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่เราเป็นตูของจริงนะของจริงมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะเราจะใจมันจะเริ่มยอมรับความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่คิดไวแต่แรกแล้วเมื่อร่างกายไม่ใช่ของดีแต่ร่างกายคือตัวทุกเนี่ยต่อไปเวลาแก่เนี่ยตัวทุกมันแก่เวลาเจ็บตัวทุกมันเจ็บเวลาตายตัวทุกมันตายถ้าตัวทุกมันแก่สมน้ําหน้ามันนะตัวทุกมันเจ็บก็เรื่องของมันนะ่ะตัวทุกมันตายตายจะได้ก็ดีไม่ได้เดือดร้อนเลยเนี่ยถ้าเมาื่อไรจิตใจเห็นความจริงของร่างกายนะ เราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราและขณะแบบเดียวกันถ้าเราสามารถเห็นความจริงในจิตใ จ, ใจได้เรามาสังเกตใจของเราเนี่ยขณะ น, นี้ความรู้สึกในใจเรามีอยู่สามแบบเองถ้าไม่สุขก็ทุกนะไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเนี่ยเราลองสังเกตใจของเรานะถ้าใจมีความสุขให้รู้ใจมีความทุกข์ก็ให้รู้ใจเฉยๆก็ให้รู้ฝึกอย่างนี้ฝึกคอยสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆ ถ้าเราสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปมีความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้จิตใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้นะหรือบางคนไม่อยากดูสุขดูทุกข์ก็ดูดีดูชั่วก็ได้บางทีจิตใจเราก็ดีบางทีจิตใจเราก็โลภบางทีจิตใจก็โกรธบางทีจิตใจก็ฟุ้งซ่านบางทีจิตใจก็หลังเลสงสัยแต่อย่างนี้มันมีเยอะไปดูยากเอาที่ง่ายๆนะดูใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยดูแค่นี้ก็พอละ ดูไปดูไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะรู้ความจริงนะว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของชั่วคราวไม่มีหรอกความสุขที่เป็นอมตะแล้วมันก็รู้ความจริงต่อไปอีกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราก็เป็นของชั่วคราวไม่มีความทุกข์ที่เป็นอมตะความไม่สุขไม่ทุกข์ความเฉยๆก็เป็นของชั่วคราวนี่เราเฝ้าดูจนกระทั่งเรารู้เลยในใจเราเนี่ยเต็มไปด้วยของชั่วคราว สุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวเมื่อใจยอมรับความจริงใจเข้าถึงความจริงตัวนี้แล้วเนี่ยต่อไปเวลาเราเจอความสุขเราไปเจอความสุขเนี่ยเราจะไม่หลงระเริงเรารู้ว่าความสุขเนี่ยเป็นของชั่วคราวไม่นานมันก็ต้องผ่านไปเนี่ยถ้าใจยอมรับความจริงได้ไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะพลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยเวลาเราอยู่กับคนที่เรารักเรามีความสุขเนี่ยแต่พอเราพลัดพรากคนที่เรารักเนีความสุขนี้หายไป เราเคยเห็นในจิตใจของเราอยู่บ่อยๆแล้วว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวมันต้องหายแน่นอนงั้นใจมันยอมรับความจริงได้นะว่าแฟนเราไปแล้วความสุขที่เคยมีมันหมดไปแล้วใจยอมรับความจริงได้ใจจะไม่ทุกข์ใจที่ยอมรับความจริงไม่ได้จะทุกข์มากหรือเราเคยเห็นนะความทุกข์ในใจเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เวลาที่ชีวิตเราเผชิญปัญหาหนักๆนะเจอนายจ้างที่ไม่ดีเนี่ย เจอคู่ค้าหรือคนที่ทำงานร่วมกับเราขี้โกงลูกน้องไม่ดีอะไรเงี้ยหรือแฟนเราหักหลังเราเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาเราเคยเห็นแลว่าความทุกข์เป็นของโชคลาวใจยอมรับความจริงได้มันยอมรับความทุกข์ได้นะให้ความทุกข์เนี่ยจะไม่มีอิทธิพลครอบงำใจถึงขนาดทุกข์จนเป็นบ้าทุกข์จนฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยไม่เป็นหรอก ใจมันยอมรับแล้วมันรู้ว่าความทุกข์ถึงจะมีก็มีชั่วคราวความสุขจะมีก็มีชั่วคราวนี่คือศาสตร์อันหนึ่งนะที่พวกเราควรจะเรียนรู้ไว้ศาสตร์แห่งการเรียนรู้กาย Cor ของตัวเองศาสตร์แห่งการเรียนรู้จิตใจของตัวเองเพื่อว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยชีวิตของเราะจะทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงตามความเข้าใจธรรมะเข้าใจความจริงของชีวิตธรรมะคือตัวความจริงนี่เองนถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยร่างกายนี้ นะมีความทุกข์บีบคั้นไม่ใช่ของดีจิตใจนี้มีแต่ความไม่เที่ยงนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวถ้าใจยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดในร่างกายนะใจจะไม่ทุรนทุรายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจจิตใจก็จะไม่ทุรนทุรายนะนี่คือศาสตร์ที่หลวงพ่ออยากให้พวกเราได้เรียนไปนะในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธอย่าเป็นชาวพุทธแต่ชื่อ เราก็คิดว่าชาวพุทธทำอะไรบ้างวันเกิดที่ไปใส่บาตรทีหนึงนะ่งหรือว่าดวงไม่ดีก็ไปสะเดาะเคราะห์ไปลดน้ำมนต์ไม่เกี่ยวอะไรกับาศาสนาพุทธเท่าไหร่หรอกนะาศาสนาพุทธจริงๆเนี่ยเป็นการฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้พอไหวไหมยิ้มหวานซิยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าเนี่ยคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะ เราไปมันจะรู้สึกแปล ก, ปลกๆขึ้นมารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเองเพราะฉั้นมันไม่ใช่ตัวเราขึ้นมานะต่อนแฝมันแก่มันไม่ใช่เราแก่มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บมันตายไม่ใช่เราตายนะหรือจิตใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสังเกตไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยไปดูของจริงนะเอาไปดูซ้ําแล้วซ้ำํำอีกเมื่อไหรจิตยอมรับความจริงได้ความทุกข์จะค่อยๆลดลง คนที่เรียนธรรมกะกับหลวงพ่อนะใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี้ยทุกวันนี้นะคนที่เข้าถึงความเปลี่ยนแปลงได้นะมีนับไม่ถ้วนเลยเพียงในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสเดือนเนี้ยที่หัดรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเราเกิดใหม่เราเกิดใหม่เรารู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กับความโง่ความไม่รู้ความหลงมันเหมือนเราเปิดสวิตตัวเองนะสว่างโพล่งขึ้นภายใน มันเหมือนเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงรู้เลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตื่นแต่ร่างกายแต่จิตใจไม่เคยตื่นเมื่อกี้ในฟ้ามันร้องใช่ไหมหรือเรือ บ, บินมาฟ้ามันร้องใครตกใจบ้างรู้สึกไหมเมื่อกี้มีใครตกใจไหมฟ้าร้องเนี่ยเมื่อกี้ใจมันก็กระเทือนใช่ไหมพอฟ้าร้องมันหวัดเสียวหน่อยๆอยเงี้ยเนี่ยเราก็ค่อยรู้ทันใจเราจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายนะมันเปลี่ยนตลอดเวลา เมื him, we we like right. wrong, ่อตาเรามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนลิ้นเราไปสัมผัสรสของอาหารต่างๆนะความรู้สึกก็เปลี่ยนเดี๋ยวสัมผัสอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบร่างกายเราสัมผัสสิ่งภายนอกนะความรู้สึกก็เปลี่ยนเวลาที่เราคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อความรู้สึกในใจเนี่ยหมุนติ้วๆตลอดเวลาทุกอย่างไม่คงที่ไปสัจเกตดูไปดูบ่อย ยิ่งดูบ่อยนะก็ยิ่งเข้าใจเร็วนะนานๆนนดูทีก็ไม่เข้าใจหรอกนะั้นการทำกรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องยากนะการปฏิบัติทำไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องทำบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆรู้สึกร่างกายบ่อยๆรู้สึกในจิตใจบ่อยๆแล้ววันใดที่เข้าใจขึ้นมาความทุกข์มันจะตกหายเคยทุกข์มากจะเหลือทุกข์น้อยนะเคยทุกข์นานๆจะเหลือทุกข์สั้นๆนะชีวิตเราจะเปลี่ยน เราจะรู้สึกเลยว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าจริงๆสามารถเปลี่ยนทิชีวิตจิตใจของเราเปลี่ยนเหมือนเป็นคนละคนเลยหน้าตาก็เปลี่ยนนะหน้าตาก็เปลี่ยนคนทั่วๆไปหน้ายับหน้าย่นนะหน้าคล้ายๆปลาตีนนะย่นย่นย่นดูไม่ได้นะพอภาวนาเข้าปฏิบัติธรรมเขานะมันผ่องใสนะแก่ขนาดไหนก็ยังผ่องใสนะมีคนเขาเคยสัมภาษณ์ หนังสือนะเป็นนิตยสารนะเกี่ยวกับความงามถ้าถามว่าทํำยังไงงามนะแต่ละคนมีเคล็ดลับความงามยังไงแม้มีอยู่คนหนึ่งนะตอบถูกใจหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อประโมทฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็จิตมันตื่นขึ้นมาภาวนาะเป็นเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจหน้าตาที่เปลี่ยนเลยนะมีหลายคนเลยนะที่วัดของพ่อเนี่ยผู้หญิงมาเรียน ก็มาฐานกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งเนี่ยสามีตามมาสงสัยว่าทวัดนี้มันเอาอะไรให้เมียเรากินหน้าตามันดูดีกว่าเก่านิสัยก็ดีกว่าเก่านะเมื่อก่อนนะพูดมากกินจุดูอย่างกระมาอะไรนะแก่ง่ายตายยากที น, นี้เปลี่ยนนะกลายเป็นว่าจิตใจร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะเขามีมาบอกหลวงพ่อเลยนะเขาว่าเมียเขามาปฏิบนะัติธรรมเนี่ยเขาเหมือนได้เมียใหม่ เลยไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกยาคนนี้แกเปลี่ยนตัวเองได้งั้นเราฝึกของเรานะระยะยาวเนี่ยเราจะเห็นผลคนที่พัฒนาใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะกับคนที่ไม่เคยพัฒนาเลยเนะี่ยถึงจุดหนึ่งนะจะเห็นความต่างที่เหมือนฟ้ากระหวเลยเทียบกันไม่ติดเลยยังลงพ่อภาวนามาเรื่อยๆนะทํางานทํางานก็เงินเดือนก็เยอะนะเงินเดือนก็เยอนะสีก็สูงแต่ว่า เรารู้สึกว่าชีวิตเนียไม่แน่นอนหลวงพ่ปฏิบัติธรรมมาต่เด็กๆด็กอายุน้อยกว่าพวกเราอีกเริ่มปฏิบัติตอนอายุเจ็ดขวบเราพอนามมาได้ได้ปฏิบัติมาได้ได้าทำงานก็ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวก็มีความสุขแต่เรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันควรจะได้อะไรที่ดีกว่านี้สุดท้ายเขามาบวชพวกเพื่อนๆนที่เขาแย่งกันเป็นผู้ว่า ตอนหลังๆเนี่ยเวลาไปเทศต่างจังหวัดกพไปเจออดีตผู้ว่านะ่ะคือตาแก่ธรรมดาเ้าโทมไม่มีความสุขเงาในขณะที่หลวงพ่อเป็นพระแก่ที่มีความสุขเรามีความสุขมีความสดชื่นมีความร่าเริงใจนะในทุกๆบรรยากาศเนี่ยเราเห็นความต่างแล้วคนที่ฝึกกับคนที่ไม่ฝึกนะคนที่ให้โอกาสกับชีวิตตัวเองโดยการฝึกปฏิบัติธรรม แ้าคนซึ่งทำลายโอกาสของตัวเองปล่อยชีวิตให้จมไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอผ่านวันผ่านเวลาไปแล้วเนี่ยคนสองคนนี้แตกต่างกันมากเทียบกันไม่ติดหรอกนะงั้นพวกเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วนะลองไปสังเกตปฏิบัติธรรมดูการปฏิบัติ ร, รมไม่ยากอะไรหรอกถือศีลห้าไว้ก็พอแล้วนะไม่ต้องศีลแปดเดี๋ยวก็แปดเปื้อนเอาศีลห้าธรรมดาเนี้ยพอแนะรักษาศีลห้าไว้ แล้วก็ค่อยรู้สึกหยือที่ร่างกายรู้สึกอยู่ที่ใจดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานฝึกไปเรื่อยๆนะไม่กี่เดือนหรอกเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงๆชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนได้จริงๆเป็นศาสตร์แห่งการเปลี่ยนจิตใจของตัวเองาศาสนาพุทธเนี่ยสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางอยู่นะมันมีลทัทธิอื่นๆาศาสนาอื่นๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยบางทีคนเก่งของแต่ละาศาสนาเนี่ย เขาอยากจะมาโต้แทีกับพระพุทธเจ้ากาว่าถ้าหักล้างพระพุทธเจ้าลงได้นะก็ทําลายพระพุทธศาสนาได้แต่พักพวกกันนะหรืออาจารย์ของเขาเนี่ยจะห้ามบอกอย่าไปโต้กับพระสมณะโคดมนะเขาเรียกพระพุทธเจ้าเราว่าพระสมณะโคดมอย่าไปคุยกับพระสมณะโคดมนะพระสมณะโคดมมีมนเปลี่ยนใจนะมนเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจยังไงสามารถพลิกจิตใจของคนะเปลี่ยนเหมือนเป็นคนละคนได้ เป็นคนซึ่งเคยมืดบอดนะก็เป็นคนที่สว่างสวัยขึ้นมาเป็นคนที่จมอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จะออกอยังไงกลายเป็นคนที่ไม่ทุกข์ขึ้นได้หรือเคยทุกข์นานก็ทุกข์น้อยนะสั้นลงทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยลงอย่างเงี้ยสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ดงนั้นศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาได้ลงมือเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาอันสั้นหลวงพ่อกล้ารับรองเลยว่าเปลี่ยนได้ในเวลาอันสั้นไม่กี่เดือนหรอก นะลองดูนะแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราสงครามโลกอาจจะเกิดเมื่อไรก็ได้ใช่ไมอยู่ใกล้ๆเนกกรัตกำบังอะ่นะถ้าเกิดสงครามอะ่ะหนีไม่รอดหรอกสนามบินอยู่ตรงนี้สงครามเกิดขึ้นเขาโ็ซัดสนามบินแหละใช่ไหมโดนซัดไม่แม่นซัดลงหัวเราจะทำไง พันอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้นะไม่แน่นอนหรอกหรือไม่มีใครทำสงครามนะหรือบินมันบินฉลบหน่อยหนึ่งก็ลงได้แล้วใช่ไหมเอาแน่ได้ที่ไหนเดี๋ยวเขาอุตส่าห์เอาใส่นะติดแอร์ให้อะไรให้เพื่อเราจะได้ไม่หวาดเสียวแต่ถามว่ามันลงได้ไหมลงไดนะ้ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะพยายามฝึกตัวเองซะให้เราพร้อมไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิต เรามีความพร้อมที่จะอยู่ได้ในทุกทุกสถานการณ์โดยมีความทุกข์น้อยๆนะอขนาดนี้ก็พอแล้วไม่ต้องถึงขนาดพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์หรอกนะพระอรหันต์ก็มีจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีอยู่ที่เราจะฝึกขนาดไหนเอาละหลวงพ่อเทศแค่นี้พอเทศนานปานี้เด็กๆทั้งเด็กเก่าเด็กใหม่ก็จะกลุ้มใจนะมันไม่ใช่เวลาฟังเทศหรอกบ่ายๆเป็นเวลาควรจะพักผ่อนะอาหารจะเป็นพิดหน่อยช่วง แต่นี่บ่ายมากแล้วนะอาหารก็เริ่มลดความเป็นฟิตลงละอย่างถ้าใครนิมนเทศตอนบ่ายโมงนี่นะหลวงพ่อจะไม่อยากเทศเลยเทศทำไมมันนั่งหลับเป็นแถวเลยนะแต่ถ้าใครฟังหลวงพ่อเทศแล้วหลับได้เนี่ยต้องยกย่องเลยนะเป็นอัจฉริยะ น, นานๆจะเจอสักคนหนึ่งเอาละพอสมควรแก่เวลาจบละ ขอบพระคุณค่ะและขอขอบคุณครูบาสมชายพระอุปถาคนะคะซึ่งเป็นรุ่นพี่ไบโอรุ่นที่7ของเรานะคะซึ่งนำมาให้เกิดการเทศนาของพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชว์ในวันนี้นะคะขอขอบขอบพระคุณค่ะ